ขณนะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้าออกเวลานั้นจิตเป็นสมาธินในอนาฟานสติขณนะใดที่จิตรู้คำภาวนาขณะนั้นจิตเป็นสมาธินในคำภาวนา